อนาปติวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องระบาดคือ901 1. พิกษุีนุ่งอมจีวรห้าผืนหรือนาออกพึงแดดในวันที่ห้า 2. พิกษุีผู้เป็นไข้ 3. พิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. พิกษุีวิกลชนิต 5. พิกษุีต้นบัญยัติสิคธาบทที่สี่